มักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอื่นๆเราไม่เคยประสบมาในชีวิตและเป็นก้าวแรกแห่งความดีความสงบสุขทางใจและมั่นคงของใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับจึงทำให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ถ้าไม่มีผู้เตือนก็อาจจะทนงตัวแบบนักธรรมะไปได้โดยทนองตัวว่าเป็นธรรมะเกิดโวาหารแตกฉานเทศปฏิพานก็ได้ ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเทศเก่งธรรมะก็แตกฉานภายในใจพูดเท่าไรธรรมะยิ่งไหลออกมาเหมือนน้ำเหมือนท่าไม่อัดไม่อัน้นเลยทําให้เพลินพูดไปไม่หยุดหย่อนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็ปาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือเทศแต่ละครั้งการติดต่อกับผู้คนไม่รู้เวล่ำเวลาว่าควรไม่ควรพูดไม่รู้จักจบเทศไม่มีเอวัง ธรรมะมีเท่าไรขุดค้นออกมาพูดและเทศจนหมดเปลือกใครามาหาโดยไม่ทราบว่าเข้ามาหาเพื่ออะไรมีแต่แจกจ่ายธรรมะอย่างไม่อั้นไม่เสียดายไม่ประหยัดธรรมะในใจแม้มีน้อยแต่ก็ชอบใจ่ายให้มากอย่างสมใจใจ่ายไปจ่ายมาโดยไม่มีการบำรุงรักษาด้วยความเพียรอันเป็นดั่งทาน ก, กั้นธรรมะภายในใจไม่ให้รั่วไหลแต่กลับทาลายด้วยความไม่รู้จักประมาณ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 นำลงสู่ความสงบไม่ได้เหมือนที่เคยเป็นมาใจเปลี่ยนจากความสงบเย็นกลายเป็นใจฟุ้งเฟ้อเหอะขนองแล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจยืนเดินนั่งนอนในท่าใดก็มีแต่ไฟเผาใจหาความสงบเย็นไม่ได้เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟอันเป็นทางซ้าเติมลงอีกโดยไม่รู้ตัวว่า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 คือแม้สึกออกไปก็ไม่ดีอยู่ตามเคยและไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิมเวลาสึกออกไปว่าจะทำให้ศาสนาเบาก็ไม่เบาคงเป็นศาสนาและทรงความจริงอยู่เท่าเดิมสรุปแล้วผู้ไม่ดีก็คือตัวไม่เกิดประโยชน์ก็คือตัวความหนักอกเพราะใจทาพิษก็คือตัวเรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่า ไม่ว่าสมบัติใดๆถ้ามีแต่จับจ่ายใช้สอยทายเดียวไม่มีการเก็บรักษาก็ยอมเสื่อมโทรมและชิบหายไปได้ทำนองใจที่ปล่อยไปตามยะถากรรมผลก็คือความเดือดร้อนที่ตัวเองต้องรับในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อเพราะความผิดถูกชั่วดีมิใช่ทายาทของผู้ใดแต่เป็นของผู้ทำไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจะพึงรับแต่ผู้เดียว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 ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ที่พระธุดงนับแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงผู้น้อยท่านทราบภูมิจิตของกันและกันได้โดยไม่ต้องมีญาณย่างทราบทางภายในพราะการสนทนาธรรมในวงพระกรรมฐานท่านถือเป็นสำคัญและเป็นอยู่เสมอมิได้ขาดโดยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของกันและกันเป็นสัมมูธนียกถาเรื่องรื่นเริงในธรรมะที่ต่างได้ปฏิบัต แล้วรู้เห็นมามีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านผู้ใดมีความรู้ย่าละเอียดประการใดเวลาท่านสนทนากันเราก็มีโอกาสทราบได้ในเวลานั้นยิ่งเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่สนทนากันด้วยแล้วก็ยิ่งน่าฟังมากธรรมะท่านมีแต่ชั้นสูงสูงฟังแล้วอัศจรรย์อยากเอาหัวหมุดดินลงไปขณะนั้น ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจและละอายในความสามารถวาสนาของตนที่ต่ำต้อยด้อยสติปัญญาไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่านขณะฟังท่านสนทนากันทั้งเพลาะจับใจทั้งอัศจรรย์ทั้งอยากรู้อยากเห็นอย่างท่านแทบใจจะขาดแต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่าไปจมอยู่ที่ไหนคิดหาก็ไม่พบ ค้นหาก็ไม่เจอมันมืดมิดปิดบังไปเสียหมดประหนึ่งจะไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นขวัญใจบ้างตลอดชีวิตลมหายใจคงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเป ล, ล่าๆมองดูหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันที่สง่า ง, งามไปด้วยความสงบราวกับจะเหาะบินสิ้นกิเลสไปเสหมดทิ้งเราผู้ไม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครื่องเปลืองตนมิได้ ให้ตายจมอยู่ในวัตตะวนเพียงคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งคับแคบแน่นหัวอกใจสะทกสะท้านเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวเวลาเลิกจากธรรมสภาก็แอบไปไต่ถามหมู่เพื่อนว่าฟังธรรมสาสกชชาท่านแล้วใจเป็นอย่างไรบ้างสำหรับผมเองแทบอกจะแตกตายอยู่ในที่นั้นเสียแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมะที่ท่านสนทนากัน เวลากลับมามองดูตัวเป็นเหมือนกาจับตัวภูเขาทองเราดีๆนี่เองคิดแล้วอยากมุดดินให้สิ้นซากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักอึ้งไปด้วยคนอาภัพอับวาสนาที่ทำการกดทวงอยู่ตลอดมาดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนท่านและหมู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกรุณาเล่าให้ผมฟังตามความจริง เพื่อเป็นธรรมกคติพอมีลมหายใจสืบต่อไปไม่อัดอั้นตันอุราเหมือนใจจะขาดอยู่เวลานี้บางท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกันรอต่างองค์มีความกระยิมในธรรมะท่านมากแล้วหวนมมองดูตัวที่อยากเป็นดังท่านแต่เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมา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 ด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้างนั้นเป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลําพังมากถ้าไม่ใช่อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระ ง, งับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุสโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตน เป็นไรๆไปแต่การฝึกจิตดวงกำลังกลัวถึงขนาดให้หายพยศลงได้โดยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตยอมจำนนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้น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 หรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พรานพรึงต่อความตายหนึ่งแม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่ น, นๆก็โปรดทราบว่าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิตของธรรมะภายในใจต่อไปจนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้น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 อะไรที่เห็นว่ายากลำบากฝืนใจบ้างก็จะเหมาเอาซิว่าไม่ใช่จริตของตัวจะไปทำอย่างนั้นจริตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจอยู่ไปกินไปนอนไปอย่างสบายดีกว่าต่างหากเหมาะกับจริตของตัวซึ่งชอบสบายแต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอก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 กิเลสของคนเรามักกลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ยอมหมอบเส้นนิดหนึ่งพอได้ลืมตาให้ใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเริบใหญ่จำต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความมอบราบของกิเลสประจักษ์ใจ ก็นำเอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้พอเหมาะกับจริตของตัวย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักๆหักล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆบันทอนทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดๆจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดนเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุน